พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเิลยะสังกหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีรังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สิบสี่ปะทวีคานะวินิชยกถากถ า, าวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการขุดดิน ที่ชื่อว่าปัตพีได้แก่ปัตพีสองอย่างคือปัตพีแท้อย่างหนึ่งปัตพีไม่แท้อย่างหนึ่งที่ชื่อว่าปัตพีแท้คือมีดินร่วนล้วนมีดินเหนียวล้วนมีหินน้อยมีกรวดน้อยมีกระเบื้องน้อยมีแร่น้อยมีทรายน้อยมีดินร่วนมากมีดินเหนียวมากแม้ดินที่ยังไม่ได้เผาไฟก็เรียกว่าปัตพีแท้ กองดินร่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีที่ฝนตกรดเกินสี่เดือนมาแล้วแม้นี้ก็เรียกว่าปัตทภีแท้ที่ชื่อว่าปัตตภีไม่แท้คือเป็นหินล้วนเป็นกรวดล้วนเป็นกระเบื้องล้วนเป็นแร่ล้วนเป็นทรายล้วนมีดินร่วนน้อยมีดินเหนียวน้อยมีหินมากมีกรวดมีกระเบื้องมีแร่มีทรายมากแม้ดินที่เผาไฟแล้วก็เรียกว่าปัตตภีไม่แท้ กองดินร่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีที่ฝนตกรถยังหย่อนกว่าสี่เดือนแม้นี้ก็เรียกว่าปาตพีไม่แท้ในดินแท้และดินไม่แท้นั้นพี่ตุขุดเองก็ดีให้คนอื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินแท้เป็นอบัตปาจิตตีในเรื่องการขุดดินนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ถ้าพิ่ตุขุดเองเป็นอบัตปาจิตตีทุกๆุกครั้งที่ขุดถ้าใช้คนอื่นให้ขุด แม้ถ้าสั่งครั้งเดียวขุดตลอดวันเป็นอาบัติปานจิตตีตัวเดียวเท่านั้นแก่พิกษุผู้สั่งแต่ถ้าผู้รับสั่งเป็นคนเกียดครา้านพิษุจึงต้องสั่งบ่อยๆเป็นปานจิตตีแก่พิกษุผู้สั่งให้ขุดทุกๆคำถ้าภิกสุกล่าวว่าเธอจงขุดสระโบคกรณีดังนี้ควรอยู่อันนี้ก็เป็นการกล่าวกว้างๆไม่ได้เจาะจงอันนี้ก็ไม่มีอาบัติบอกให้ขุดสระโบคกรณี เพราะว่าสระที่ขุดแล้วเท่านั้นจึงชื่อว่าเป็นสะโบครณีฉะนั้นโวหารนี้เป็นกัปปิยะโวหารแม้ในคำเป็นต้นว่าจงขุดบึงสะหลุมให้ขุดสะก็ตามขุดหลุมก็ตามขุดบึงก็ตามดังนี้ก็มีในอย่างนี้เหมือนกันก็คือสมควรเป็นกัปปิยะโวหาร แต่จะกล่าวว่าจงขุดโอกาสนี้จงขุดสะโบครณีในโอกาสนี้ดังนี้ไม่ควรอันนี้เป็นการกล่าวเจาะจงจะกล่าวไม่กําหนดว่าจงขุดเง้าจงขุดรากดังนี้ควรอยู่จะกล่าวว่าจงขุดเทวันนี้จงขุดเง้าหรือรากในโอกาสนี้ดังนี้ไม่สมควรเพราะฉะนั้นถ้าไปกล่าวเจาะจงบอกให้ขุดตรงนั้นตรงนี้อันนี้ไม่เหมาะแต่ถ้ากล่าว ล, ายลอยๆไม่เจาะจงอันนี้ได้ เมื่อชำระสาบคารณีอาจจะเอาหม้อวิทเปลือกตมเหลวๆใดออกได้จะนําเปลือกตมนั้นออกควรอยู่ถ้าเป็นเปลือกตมเป็นเลนเหลวๆสามารถที่จะเอาออกได้จะนําเปลือกตมที่แค่นออกไม่ควรถ้าเป็นเปลืกตมที่แข็งอันนี้ไม่ควรจะไปเอาออกเปลือกตมแห้งเพราะแสงแดดแตกกระแหงในเปลือกตมแห้งนั้นส่วนใดไม่เนื่องกับแผ่นดินในเบื้องล่าง จะนำเปลือกตมนั้นแหละออกควรอยู่ถ้าเอาเลนขึ้นมาไว้ข้างบนแห้งแล้วมันไม่ติดกับแผ่นดินก็สามารถเอาออกได้ชื่อว่าระแหงก็คือแผ่นคราบน้ำหรือว่าดินร่วนเพราะน้ำแห้งมีอยู่ในที่น้ำไหลไปย่อมไหวเพราะถูกลมพัดจะนำเอาระแหงนั้นออกควรอยู่ฟังคือตลิ่งแหงสะโบครณีเป็นต้น พังตกลงไปริมน้ําถ้าถูกฝนตกรดตันกว่าสี่เดือนจะฟันออกหรือว่าทุบออกก็ควรเพราะว่ายัางไม่เป็นดินแท้ถ้าเกินสี่เดือนคือฝนตกรถเกินสี่เดือนแล้วก็กลายเป็นดินแท้ไปแล้วก็ไม่ควรจะแปลาออกแต่ถ้าตกลงในน้ําเลยแม้เมื่อฝนตกรถเกินสี่เดือนแล้วก็ควรเอาออกได้ถ้าตกลงในน้ํำนะก็จัดว่าเป็นเลนไปเพราะน้ําฝนตกลงไปในน้ําเท่านั้น เพกสูตทั้งหลายขุดเจาะสพังน้าคือตะพังหินบนหินดาถ้าแม้ว่าผงละเอียดตกลงไปในตะพังหินนั้นตั้งแต่แรกทีเดียวผงละเอียดนั้นถูกฝนตกรถต่อล่วงไปได้สี่เดือนจึงถึงอันนับว่าเป็นอากาปิยะปะัตีแล้วกลายเป็นปัตตพีแท้ไปถ้าปัตตีแท้นี่เรียกว่าอากาปิยะปตพีขุดไม่ได้ถ้าเป็นดินไม่แท้ เเรียกว่ากาปติยะปะสพีขุดได้เมื่อน้ำงวดแล้วแห้งแล้วพวกพิสุผู้ชาระตะพังหินจะแยกผงละเอียดนั้นออกไม่ควรเพราะว่ากลายเป็นดินแท้ไปแล้วถ้าเต็มด้วยน้ำอยู่ก่อนผงละอองตกลงไปภายหลังจะแยกผงละอองนั้นออกควรอยู่แท้จริงแม้เมื่อฝนตกในตะพังหินนั้นน้ำย่อมตกลงในน้ำเท่านั้น ผงละเอียดมีอยู่บนพวกหินดาดผงละเอียดนั้นเมื่อถูกฝนตกชักอยู่ก็ติดกันเข้าอีกจะแยกผงละอองแม้นั้นออกโดยล่วงสี่เดือนไปไม่ควรที่ฝนตกรสีเดือนแล้วก็กลายเป็นดินแท้ไปแล้วจอมปลวกเกิดขึ้นที่เงื้อมเป็นเองไม่มีคนสร้างจะแยกออกตามสะดวกควรอยู่ถ้าจอมปลวกเกิดขึ้นในที่แจ้ง กฝนตกรดตํากว่าสี่เดือนเท่านั้นจึงควรเอาออกได้นะจอมปลวกันเป็นดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในเงื้อมหรือว่ามีกำบังอยู่ฝนไม่ได้ตกรดสี่เดือนเอาออกได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในที่แจ้งฝนตกรถเกินสี่เดือนแล้วอันนี้ไม่ควรจะเอาออกไม่ควรจะไปขุดแม้ในดินเหนียวของตัวปลวกที่ขึ้นไปบนต้นไม้เป็นต้นก็มีในอย่างนี้เหมือนกัน แม้ในขุยไสเดือนขุยหนูและระแหงกีบโคเป็นต้นก็มีในอย่างนี้เหมือนกันก็คือถ้าฝนตกรถเกินสี่เดือนเมื่อไร่ก็กลายเป็นดินแท้ไม่ควรจะไปขุดเปลือกตมที่ถูกตัดด้วยกีบฝูงโ ค, โคก็คือคโคลนรอยกีบฝูงโครเรียกว่าระแหงกีบโคก็ทว่าระแหมกีบโคนั้นติดกับแผ่นดินทางพื้นล่างแม้ในวันเดียวจะแยกออกก็ไม่ควร คือถ้ามันติดกันกันกบพื้นเบื้องล่างแล้วจะไปแยกออกไม่ควรแล้วเพราะว่ากลายเป็นคติเหมือนกับดินแท้ไปแล้วเมื่อพิกจูถือเอาก้อนดินเหนียวที่ถูกไถตัดแม้ในที่ที่ชาวนาไถาไว้ก็มีในายอย่างนี้เหมือนกันก็คือถ้าไถาตัดแล้วมันไม่ติดกับพื้นเบื้องล่างก็สามารถได้หยิบออกมาได้แต่ถ้ามันติดกับพื้นเบื้องล่างนี้ก็ไม่ควรจะไปขุดไม่ควรจะไปนํเอาออกเสนาสนะเก่าไม่มีหังคาหรือมีหลังคาพังก็ตาม ถูกฝนตกรถเกินสี่เดือนย่อมนับว่าเป็นปรสบพีแท้เหมือนกันอันนี้หมายถึงดินเหนียวที่อยู่บนหลังคาถ้าถูกฝนตกรถสรี่เดือนก็กลายเป็นดินแท้เพิตุจะถือเอากระเบื้องมุงหลังคาหรือเครื่องอุปกรณ์มีกรอนเป็นต้นที่เหลือจากเสนาสนะเก่านั้นด้วยสําคัญว่าเราจะเอาอิฐเราจะเอากรอนเราจะเอาเชิงฝาจะเอากระดานปูพื้นจะเอาเสาปราสาทดังนี้ควรอยู่ ดินเหนียวตกลงติดกับกระเบื้องหลังคาเป็นต้นนั้นไม่เป็นอาบัติแต่เป็นอาบัติแก่พิสุผู้เอาดินเหนียวที่ฉาบทาฝาถ้าดินก้อนใดไม่เปียกชุ่มพิสุถือเอาดินก้อนนั้นๆไม่เป็นอาบัติภายในเรือนมีกองดินเมื่อก้อนดินนั้นถูกฝนตกรถเสียวันหนึ่งชนทั้งหลายพึงมุงเรือนถ้ากองดินเปียกทั้งหมด ตอร่วงไปได้สี่เดือนกลายเป็นปจัจจีแท้เหมือนกันแม้ว่าอยู่ในเดือนถ้าส่วนเบื้องบนแห่งกองดินเท่านั้นเปียกภายในไม่เปียกจะใช้ให้พวกกัปปิยะการรบคุ้ยเอาดินเท่าจํานวนที่เปียกออกเสียด้วยกัปปิยะโวหารแล้วใช้สอยดินส่วนที่เหลือตามสะดวกก็ควรก็คือสามารถเจะขุดเอาไปทําอะไรก็ได้แต่ไอ้ที่เปียกนั้นก็ใช้กัปปิยะโวหารให้กัปปิยะการรบเอาออกเสีย จริงอยู่ดินที่จับติดเนื่องเป็นอันเดียวเพราะเปียกชุ่มด้วยน้ำจัดเป็นปตัตตาพีแท้นอกนี้ไม่ใช่แลก็คือไม่ใช่ปตัตตาพีแท้กำแพงดินเหนียวอยู่ในที่แจ้งถูกฝนตกรถเกินสี่เดือนย่อมถึงอันนับว่าปรตตพีแท้ถ้าเอาดินมาทำเป็นกำแพงถ้าฝนตกรถสี่เดือนก็กลายเป็นประตาพีแท้ไปเหมือนกัน แต่พิตูจะเอามือเปียกจับต้องดินร่วนอันติดอยู่ที่ประีแท้นั้นควรอยู่ถ้าหากว่าเป็นกําแพงอิฐตั้งอยู่ในฐานเป็นเศษกระเบื้องอิฐเสียโดยมากจะคุ้ยเขี่ยออกตามสบายก็ได้พิสุจะโยกเอาเสารมรรดบที่ตั้งอยู่ในที่แจ้งไปทางโน้นทางนี้ทําให้ดินแยกออกแล้วถือเอาไม่ควรยกขึ้นตรงๆเท่านั้นจึงควร สำหรับทิศุผู้จะถือเอาต้นไม้แห้งหรือว่าตอไม้แห้งแม้อย่างอื่นก็ในนี้เหมือนกันก็คือถ้าจะยกเสาวหรือว่าต้นไม้แห้งจะยกขึ้นตรงๆนี่ไม่ให้ดินมันแยกออกไปนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดต้องโยกไปข้างนู้นข้างนี้ทําให้ดินมันแตกอันนี้ก็เป็นอาบัติทิศุทั้งหลายเอาพวกไม้ท่อนนับเสาหินหรือต้นไม้กลิ้งไปเพื่อการก่อสร้างแผ่นดินในที่กลิ้งไปนั้นแตกเป็นรอย ถ้าพิสุทั้งหลายมีจิตบริสุทธิ์กลิ้งไปไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าว่าพิสูจทั้งหลายเป็นผู้ใคล้จะทำลายแผ่นดินด้วยเล่นั้นนั่นเองเป็นอาบัตผู้พิสูจผู้ลากกิ่งไม้เป็นต้นไปก็ดีพาฟืนบนแผ่นดินก็ดีก็มีในอย่างนี้เหมือนกันจะตอกหรือว่าจะเสียบแม้วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งมีกระดูกเข็มและนามเป็นต้นลงไปในแผ่นดินก็ไม่ควรถือว่าเป็นการทำลายดินทั้งนั้น แม้จะถ่ายปัสสาวะด้วยคิดอย่างนี้ว่าเราจะพังแผ่นดินด้วยกําลังแห่งสายน้ําปัสสวะก็ไม่ควรอันนี้ก็จะเล่ น, ก, ก, ลนก็เป็นการทําลายดินเหมือนกันแต่ปัสสวะแผ่นดินให้มันพังให้มันทลายอันนี้ก็เป็นอับัตเมื่อพิกตุถ่ายโดยคิดอย่างนั้นดินพังเป็นอับัตก็คือเป็นอบัตตาจิตตีแม้จะเอาไม้กวาดคลุดถู ด, ด้วยคิดว่าเราจะทําพื้นดินที่ไม่เสมอให้เสมอ ดังนี้ก็ไม่ควรความจริงควรจะกวาดด้วยมุ่งวัดเท่านั้นพิกตุบางพวกกระทุ้งแผ่นดินด้วยปลายแม่เท้าเอาปลายนิ้วหัวแม่เท้าขีดเขียนแผ่นดินเดินจงกลมทําลายแผ่นดินครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยคิดว่าเราจัดแสดงสถานที่ที่เราจงกลมดังนี้การเช่นนั้นไม่ควรทุกอย่างก็คือเป็นอบัตแต่พิกตุผู้กระทําสมณธรรมเพื่อยกย่องความเพียร มีจิตบริสุทธิ์จงกลมสมควรอยู่เพกี้ตูทั้งหลายครูสีที่แผ่นดินด้วยคิดว่าจักล้างมือไม่ควรก็คือมือเปียกเลอะเทอะอะไรมาก็ไปครูดที่พื้นดินอันนี้ไม่ควรส่วนเพลีต้ตูผู้ไม่ครูสีแต่วางมือเปียกลงบนแผ่นดินแล้วแตะเอาละอองไปอันนี้สมควรก็ไม่ได้คูดไม่ได้สีเพียงแต่แตะที่พื้นให้มือแห้งเพลี้ตูบางพวกอาพาธด้วยโรคคันและหิดเป็นต้น จึงคลู้สีอวัยวะน้อยใหญ่ลงบนที่มีตลิ่งชันเป็นต้นการทำนั้นก็ไม่สมควรทิ้ถูกเผาเองก็ดีใช้ให้คนเผาก็ดีซึ่งแผ่นดินแท้คือแผ่นดินแท้เนี่ยเป็นอบับตะตาจิตตีทำที่สุดเพื่อระบมบาดไประบมบาตรบนแผ่นดินที่ยังไม่ได้เผานี่ก็ทำให้ดินนั้นถูกไฟเผาก็เป็นอัตทิ้ตุจุดไฟเองหรือใช้ให้ผู้อื่นจุดในที่มีประมาณเท่าใด เป็นไฟจิตตีมีประมาณเท่านั้นตัวก็คือไปจุดไฟบนพื้นดินเนี่ยนะเป็นอับดับไฟจิตนตะีเพราะฉะนั้นพิจุแม้เมื่อจะระบมบาตพึงระบมในที่เคยระบมแล้วนั่นแหละถ้าเขาระบมเอาไว้ก่อนนู้นแผ่นดินนั้นถูกไฟไหม้แล้วก็ไประบมตรงนั้นก็ได้หรือว่าขุดที่ตรงนั้นก็ได้ที่ไฟไหม้ไปที่ทำให้ร้อนทำให้แผ่นดินนั้นนะ่ะรอนไปถึงลึกขนาดไหนก็ขุดขึ้นมาได้เท่านั้นเหมือนกัน จะวางไฟลงบนแผ่นดินที่ไฟยังไม่ไหม้ไม่ควรแต่จะวางไฟลงบนกระเบื้องสำหรับระบมบาทควรอยู่วางไฟลงบนกองฟืนไฟนั้นไหม้ฟืนเหล่านั้นแล้วจะลุกลามเลยไปไหม้ดินไม่ควรแม้ในที่มีอิฐและหินเป็นต้นก็มีในอย่างนี้เหมือนกันจริงอยู่ในที่แม้นั้นจะวางไฟลงบนกองอิฐเป็นต้นนั่นแลควรอยู่ พระเหตุไรเพราะว่าอิดเป็นต้นนั้นไม่ใช่เชื้อไฟจิงอยู่อิดเป็นต้นนั้นไม่นับว่าเป็นเชื้อแห่งไฟจะติดไฟแม้ที่ต่อไม้และต้นไม้แห้งเป็นต้นไม่ควรแต่ต่อไม้จะเผาต่อไม้ให้ใหมันไหม้ไปไปจุดก็ไม่ได้แต่ถ้าว่าพิสุจะติดไฟด้วยคิดว่าเราจักดับไฟที่ยังไม่ทันถึงแผ่นดินเสียก่อนแล้วจึงจับไปดังนี้ควรอยู่ จะเกิดต่อไม้แห้งไปจุดแล้วเนี่ยต้องตั้งใจว่าเดี๋ยวจะดับก่อนที่จะถึงแผ่นดินอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ภายหลังไม่อาจเพื่อจะดับได้ไม่เป็นอาบัตเพราะว่าไม่ใช่วิสัยเที่ยตุถือคบเพลิงเดินไปเมื่อมือถูกไฟไหม้จึงทิ้งลงที่พื้นไม่เป็นอาบัตจะเติมเชื้อก่อไฟในที่คบเพลิงตกนั่นแหละควรอยู่ก็ที่มีประมาณเท่าไรในแผ่นดินที่ถูกไฟไหม้อริรอนระอุไปถึง จะโกยที่ทั้งหมดนั้นออกควรอยู่ก็พิกตุใดยังไม่รู้วิธีสีให้ไฟติดใช้ไม้สีไฟก่อไฟให้ติดแล้วเอามือหยิบขึ้นแล้วกล่าวว่าผมจะทําอย่างไรพริกตุอื่นบอกว่าจงทําให้ลุกโผล่ขึ้นเธอกล่าวว่ามันจะไหม้มือผมจึงบอกว่าจงทําอย่างที่มันจะไม่ไหม้แต่ไม่พึงบอกว่าจงทิ้งลงที่พืน้น ถ้าว่าเมื่อไฟไม่มือเธอทิ้งลงไม่เป็นอบัติเพราะเธอไม่ได้ทิ้งลงด้วยตั้งใจว่าเราจัเผาแผ่นดินแต่จะก่อไฟในที่ตกลงก็ควรพิกศูจะใช้ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกับยิยะโอหารอย่างนี้ว่าเธอจงรู้หลุมสำหรับเสานี้จงรู้ดินเหนียวก้อนใหญ่จงรู้ดินปนแกลบจงให้ดินเหนียวก้อนใหญ่จงให้ดินปนแกลบจงนาดินเหนียวมาจงนาดินร่วนมา อาตมาต้องการดินเหนียวต้องการดินร่วนจงทําหลุมให้เป็นกับปิยะสําหรับเสาหนี้จงทําดินเหนียวนี้ให้เป็นกับปิยะจงทําดินร่วนนี้ให้เป็นกับปิยะดำนี้สมควรที่สุสงใจไปในที่อื่นยืนพูดอะไรกับบางคนเอาหัวแม่เท้าหรือว่าไม้เท้าขีดเขียนแผ่นดินไปพางไม่เป็นอาบัติแก่ที่สุผู้ขีดเขียนหรือว่าทําลายดินด้วยไม่มีสติอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องการ ขุดดินซึ่งถ้าเป็นดินแท้เทวิตุ ก, ก็ไม่มีสิทธิ์หรือว่าไม่สมควรที่จะไปขุดแต่ว่าใช้กับิยะวัวหารได้ให้กับิยะกระกฏวิทยบริกรไปช่วยจัดการทําให้ด้วยกับิยะวัวหารอันนี้ก็ไม่อบับตะแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไม่แท้ก็คือมีกูดมีตายเยอะพวกนี้ก็สามารถได้ขุดเองก็ได้ถ้าเป็นดินแท้ก็ห้ามขุดก็ถ า, ถามวินิจฉัยเรื่องการขุดดินในบาลีมุตตะ วิเนยะวินิจฉัยสังะหะก็จบแล้วขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รักษาพระวินยัยเพื่อสืบทอดพระศาสนาบำเพ็ญตนให้พ้นจากทุกข์โดยทั่วกันสาธุสาธุสาธุ